ตอนที่ยี่สเหมันกัมปนาธตําหนักต้าซิงเกิดเพลิงไม้ขึ้นอย่างกระทันหันเปลวเพลิงโหมกระนำลามไปทั่วทถ้ำกลางความมืดมิดแม้จิ้งจวินแห่งต้าอาวีจะรุดเข้าดับไฟได้อย่างรวดเร็วทว่าตําหนักรองกลับถูกเผาวอดแม้แต่ตําหนักหลักเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่ววังวีอย่างรวดเร็วสร้างความตื่นกระหนกให้แก่ผู้คนไปทั่ววังวีมาเกิดความวุ่นวายบ่อยครั้งและตามมาด้วยเหตุการณ์และขโมยสมบัติในราชสำนักฝ่ายในณตําตหนักกลัลูสารโฮส่งกริ้วยิ่งนัก ตอนนี้ทั่วทั้งวังวีประกาศกฎอัยการศึกแล้วพยาค่ะชูหลิงที่ยืนพิงเสาวหวนึกถึงรายงานของหลี่จงเมื่อครู่เขามองไปยังชั้นหนังสือที่เรียงรายเต็มผนังมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยดูท่าเพลินม่ที่ตำหนักต้าซิงครั้งนี้สำหรับเจอแล้วคงไม่ใช่เรื่องแย่เสียทีเดียวเมื่อคิดได้ดังนั้นชูหลิงก็ก้าวไปข้างหน้ามองดูหนังสือมากมายบนผนงังด้วยความรู้สึกรื่นรม ตํหนักกระลูกคือสถานที่สําหรับจักรพรรดิในการอ่านตําราภายในวังวี่หนังสือที่เก็บรักษาไว้ที่นี่ถือว่าครบถ้วนที่สุดในใต้ล่าเป็นรองเพียงหอจดหมายเหตุของกรมเลขาธิการเท่านั้นสําหรับชูหลิงสิ่งที่เขาต้องการรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออาาจักต้าอาวีที่เขาอยู่นี้เป็นเช่นไรกันแน่ซึ่งเขาจําเป็นต้องทําความเข้าใจทั้งในด้านการเมืองการทหารวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมีเพียงการทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเขาจึงจะสามารถวางแผนและกําหนดหมากเดินได้อย่างรัดกุม กำลังอยากจะนอนก็มีคนส่งหมอนมาให้พอดีชูหลิงไม่เชื่อว่าเพลิงที่ลุกไหม้ในตำหนักต้าซิงจะเป็นอุบัติเหตุประการแรกองครักวิงเวินที่อารักขาเข้ามาจากตำหนักต้าซิงหลังจากส่งเขาถึงตำหนักกะลู้แล้วก็ถูกพระเสาวนีของซานโฮสั่งให้ถอยกลับไปยังตำหนักต้าซิงทันทีในยามนี้ผู้ที่รับผิดชอบการเฝ้ายามทั้งภายในและภายนอกตำหนักกระลุ้คือเหล่าขันทีนักรบที่มีเฉพาะในวังวี่เท่านั้นภายในวังวี่ขันทีนักลบถือเป็นกลุ่มคนที่พิเศษที่สุด ผู้ที่จะเข้าสู่ทำเนียบขันทีนักรบได้นั้นล้วนต้องถูกต้อนและเข้าวังมาตั้งแต่เยาว์วัยผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนอย่างหนักหลายชั้นจนเมื่อเติบใหญ่และผ่านการทดสอบฝีมือแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้คงอยู่จงรักพักดีเชื่อถือได้นี่คือคำนิยามของขันทีนักรบเที่ยงแต่ขันทีนักรบในยามนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อชูหลิงแต่ขึ้นตรงต่อการสั่งการของซานโฮส่วนว่าใครจะมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดนั้นยังไม่อาจทราบได้อย่างน้อยชูหลิงก็ยังไม่กระจ่างชัด จักรพรรดิผู้สื่อราชะสันติวงศ์ทรงอยากทอดพระเนตรตำราเล่มใดผู้น้อยชาราผู้นี้ยินดีรับใช้พายค่ะภายในตำหนักกระลู่ที่เงียยสงัดจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้ชูหลิงสะดุ้งในใจเขาหันไปมองด้วยความระแวดระวังทันทีเห็นชายชาราในชุดคลุมผู้หนึ่งเดินออกมาจากหลังชั้นนังสือทำให้ดวงตาของชูหลิงเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยในตำหนักกระลูมีทางลับนั้นหรือ ชูหลิงรู้ดีกว่าใครว่ายามนี้ทั้งภายในและภายนอกตําหนักกรลูเต็มไปด้วยขันทีนักรบภายใต้การคุ้มกันที่หนาแน่นเช่นนี้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่มแมลงวันก็ยังยากจะบินเข้ามาได้ทว่ายามนี้กลับมีคนปรากฏตัวขึ้นในตําหนักกรลูดนอกเสียจากทางลับแล้วชูหลิงก็นึกไม่ออกจริงๆว่าคนผู้นี้เข้ามาได้อย่างไรเหมือนเหมือนจริงๆ ภายใต้สายตาที่ระแวดระวังของชูหลิงชายชาราผู้นั้นกลับดูตื่นเต้นเล็กน้อยจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ผู้นี้มีเขาโครงใบหน้าคล้ายคลึงกับเทจู่ยิ่งนักโดยเฉพาะคิ้วคู่นั้นผู้น้อยชารานามว่าเสี้ยวังขอถวายบังคมจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์พยาค่ะชายชาราคุกเข่าลงกับพื้นขอบตาแดงระเรือ่อทําความเคารพชูหลิงด้วยพิธีเต็มรูปแบบเมื่อเห็นเสี้ยวังทําเช่นนั้นชูหลิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยความระแวดระวังในใจยังไม่จางหายไป คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่มีอยู่ในความทรงจําชูหลิงจะมอบความไว้วางใจให้ได้อย่างไรสําหรับความเงียบของชูหลิงนั้นเซียวังดูเหมือนจะคาดการไว้แล้วเพลิงที่ตําหนักต้าซิงนั้นเป็นผู้น้อยชาราผู้นี้ที่สั่งให้คนไปจุดพายคะคะเซียวังคุกเข่าอยู่บนพื้นหลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็รายงานต่อชูหลิงว่าหากไม่ใช่เพราะถ้อยคําที่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์สั์ไว้หน้าตําหนักโซ่หงผู้น้อยชาราก็คงไม่บังอาจกระทําการล่วงเกินเช่นนี้ เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นชูหลิงรีตาลงถามเขายิ่งรู้สึกสนใจในตัวเสียวังผู้นี้มากขึ้นเรื่อยๆแทนตนว่าผู้น้อยชรา ย, ย่อมเป็นขันทีในวังวีไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีเจตนาใดแต่การที่กล้า ส, สั่งคนจุดไฟเผาตำหนักต้าสิงภายใต้การอารักขาที่เข้มงวดโดยไม่มีใครล่วงรู้ได้นั้นย่อมไม่ใช่คนธรรมดาทุ่นจั ก, กรพรรดิผู้สื่อพระาชสันติวงศ์ผู้น้อยชราคือบ่าวกล่าวของเทจูพยาคะ่ะเสียวังกล่าวอย่างสงบ ส่วนว่าแบกรับหน้าที่ใดนั้นโปรดทรงอภัยที่ผู้น้อยชรา ย, ยังมีอาจทูลไดในยามนี้รอจนกว่าพระองค์จะทรงครองราชและกลุ่มอำนาจบริหารด้วยพระองค์เองเมื่อใดผู้น้อยชราจะทูลรายงานตามความจริงพยายค่ะสำหรับพระองค์นั้นผู้น้อยชราเคยมีความกังวลต้สิงห้องตี้เสด็จสวรรคตอย่างปริศนาและกระทันหันทําให้ราชวงศ์ต้าอาวี๋ของเราได้รับความกระทบกระเทือนภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ควรเลือกผู้ที่เติบใหญ่มาครองแผ่นดิน ทว่าสุดท้ายกลับเป็นพระองค์ที่ได้เข้าประทับในตำแหนักต้าซิงเดิมทีผู้น้อยชาราคิดจะสืบหาอย่างเงียบๆและเฝ้าดูอยู่ในที่มืดแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสที่ตำแหนักโซ่หงแม้การกระทํานั้นจะทิ้งร่องรอยความเสี่ยงไว้แต่ก็ทําให้เหล่าขุนนางคนสําคัญในราชสํานักได้รับรู้ว่าแม้จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์จะยังทรงพระเยาวแต่ก็มีได้ทรงอ่อนแอไร้เดียงสาเป็นอย่างที่คิดจริงๆ ชูหลิงเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยเดิมที่เขาก็สงสัยอยู่แล้วว่าการสวรรคตของต้าสิงห้องตีต้องมีเงื่อนงำแน่และเมื่อได้ฟังสิ่งที่เซีย่วังพูดข้อสนันนิษฐานนี้ก็ได้รับการยืนยนันชูชีที่อยู่ในเวชาการจะเสด็จสวรรคตปุปปับได้อย่างไรหากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีแผนสมคบคิดชูหลิงย่อมไม่มีวันเชื่อแต่สถานการณ์ในตอนนี้คือทุกอย่างดูเป็นปกติไม่มีสิ่งใดผิดสังเกตเลยมิเช่นนั้นชูหลิงคิดว่าตนเองคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงแ่ และเพราะมันดูปกติเกินไปนี่แหละที่ผิดปกติอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเพลิงนี้ลุกไม่ขึ้นซานโฮทั้งสามก็ตกที่นั่งลำบากแล้วชูหลิงรวบรวมสมาธิจ้องมองเสี้ยวั่งแล้วกล่าวว่าที่ทีเส้นสวงลงศพลวงของต้าสิงห้องตีเพิ่งจะสิ้นสุดลงและเพิ่งเกิดเรื่องที่ตำหนักโซ่หวงจากนั้นตำหนักต้าสิงก็เกิดเพลิงไม่ทันทีหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปเกรงว่าคำคอรหาของผู้คนคงยากจะต้านทาน จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ทรงพระปรีชายิ่งนักเสียว่วงกราบทูลในขณะนี้ภายในใจของเสียว่วงเกิดความตื้นตันทั้งที่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์มีพระชนมายุเพียงแปดพันปศาทว่าความคิดความอ่านกับละเอียดรอบคอบเช่นนี้ที่สําคัญคือเมื่อเผชิญเหตุการณ์กับไม่ล่นหลานนี่คือสวรรค์ทรงคุ้มครองต้าอาวีโดยแท้ถ้าอย่างนั้นเจ้า ในขณะที่ชูหลิงกำลังจะซักถามต่อจูจูนอกตําหนักก็เกิดแสงวาบขึ้นมาความมืดมิดพลันสว่างจ้าเพียงชั่วพริบตาไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงกัมปนาตของสายฟ้าก็ระเบิดกึกกล้องเปรี้ยงเสียงนั้นดังสนัน่นจนทำให้ผู้คนสั่นสถานไปทั้งตัวเสียวังที่คุกเข่าอยู่สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงฟ้าร้องในฤดูหนาวจัดเช่นนี้ไม่ใช่รางดีเลย เสี่ยว่างเหน่อยหน้าขึ้นกะทันหันประจบเหมาะกับที่มีแสงสายฟ้าแลบขึ้นใหม่อีกครั้งท่ามกลางความสว่างและมือที่สลับกันเสี้ยวว่างเห็นสีหน้าขมวดคิ้วของชูหลิงได้อย่างชัดเจนเอียดประตูตําหนักที่ปิดสนิทถูกผลักเปิดออกช้ า, ชาๆเสี่ยว่างไม่ทันได้ตกใจกับลางร้ายในใจเขาหมุนตัวหายเข้าไปในเงามืดทันทีและในจังหวะที่ประตูเปิดออกนั้นชูหลิงก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นมา ถว่าเมื่อเขาหันกลับไปก็พบว่าเซียว่างหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วแม้เขายังมีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามเซียว่างแต่ในวินาทีที่เซียว่างหายไปชูหลิงกลับรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยการปรากฏตัวของเซียว่างก็ทําให้ชูหลิงเข้าใจจุดหนึ่งว่าสิ่งที่เขาเสี่ยงทําลงไปที่ตําหนักโซ่ของนั้นมีคนมองเห็นและมีคนที่มีความคิดเห็นคล้อยตามเท่านี้ก็เพียงพอแล้วจักรพัฒด์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ หลีจงเดินเข้ามาจากนอกตําหนักปรากฏตัวต่อหน้าชูหลิงด้วยท่าทางกระวนกระวายใจปฏิกิริยาของเขาไม่ต่างจากเสี้อว่างฟ้าร้องในฤดูหนาวส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาอย่างมากและผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กับคนไม่กี่คนช่างน่าสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสิชูหลิงที่ยืนอยู่กับที่มองดูหลี่จงแล้วยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้เรื่องราวหลายอย่างในต้าอวีแต่เขาก็เริ่มจะชอบพี่นี่เข้าเสียแล้วแบบนี้สิถึงจะน่าสนใจสู้กับฟ้าสนุกหาไดเปรียบ สู้กับดินสนุกหาได้เปรียบสู้กับคนสนุกหาได้เปรียบด้วยวัยของเขาในตอนนี้อาจจะไม่มีข้อได้เปรียบมากนะักแต่หากเขาสามารถเอาชนะทุกคนที่ขวางทางเดินของเขาได้แม้จะเป็นสามนางผู้นั้นเพื่อให้เขากลายเป็นจักรพรรดิที่แท้จริงของต้าอวีความรู้สึกนั้นย่อมต้องไม่ธรรมดาแน่นอน